พวกเราทุกท่านที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาถึงจะบวชระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตามที่เราเข้ามาบวชและมาอยู่ป่ามาอยู่วัดป่าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มาอยู่ในขณะนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ตั้งความไว้ในใจเสมอว่า เราเข้ามาบวชเพื่อชำระใจไม่ได้บวชเข้ามาเพื่ออย่างอื่นไม่ได้หวังเพื่อลาบยศสรรเสริญสุขอะไรทั้งหมดมาชำระใจตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพระหันสาวกหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยปฏิบัติมาแนะนําสั่งสอนถ่ายทอดกันมาตามระเ บ, บับพวกเราได้ศึกษาดูเบื้องต้นแต่พวกเราจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไร แต่โ บ, บราณพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาประเทศชาติบ้านเมืองเจ้าฟ้ามหากษัตริย์นับถือกันมาอย่างต่อเนื่องหลายชั่วมนุษย์จนมาถึงพวกเราพวกเราก็ตั้งความเชื่อคือจัศรัทธาไว้ก่อนว่าพระพุทธศาสนาหรือพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคงมีดีสักอย่างหนึ่งบรรพบุรุษของพวกเราจึง เคารพนับถือจึงศรัทธาในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท้า่าไม่มีของดีและไม่มีของจริงแล้วก็คงจะตกหล่นหายไปแต่นี้พระพุทธศาสนายังอยู่คู่กับเมืองไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะนั้นพวกเราในฐานะลูกหลานคนในชาติ ที่เข้ามาบวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาบวชอยู่วัดป่าอย่างพวกเราได้ตั้งอกตั้งใจก็มาเพื่อศึกษาอันดับแรกก็เพื่อศึกษาเป็นของจริงหรือไม่ที่พระพุทธเจ้าที่คนโบราณโบ ร, มมราณที่นับถือกันมาพวกเราก็เข้ามาพิสูจน์คือส่วนหนึ่งเบื้องต้นเราต้องเข้ามาพิสูจน์ อย่างผมที่เข้ามาก่อนพวกท่านคือผมเองก็ในฐานะพี่คือลูกของพระพุทธเจ้าที่พระสากยาบุตรพวกท่านทั้งหลายก็เข้ามาศึกษาตามลําดับกันไปเหมือนกับ น, น้องๆครูบาอาจารย์เหมือนพี่ๆคือเป็นลูกของพระพุทธเจ้าสากยาบุตรพุทธชินโนรดเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาศึกษา ตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนแต่พวกท่านทั้งหลายที่เข้ามาศึกษาใหม่ก็คงจะดวนเลยอันนั้นเป็นของธรรมดาเหมือนกับผมเข้ามาศึกษาใหม่แต่ขนาดเข้ามาศึกษาอย่างผมทุกวันนี้ผมเชือ่อร่อยทั้งร้อยพันทั้งพันมีกี่เปอร์เซ็นผมเชื่อทั้งหมดว่าพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักๆที่ท่านประกาศศาสนาเอาไว้นั้นเป็นของจริง แต่ของที่เป็นน้ำเชื่อมที่จะให้พระธรรมคำสังสอนนั้นมีรถมิชาติก็มีอยู่บ้างแต่ที่หลักๆอย่างที่ผมได้ย้ำแล้วย้ำอีกอย่างอริยสัจสี่สติปฐานสี่มักักแปดใ้ไตรักษ์ตรงนี้คือเป็นจุดใหญ่หรือเป็นจุดที่จะต้องศึกษา ตีความหมายให้ลึกซึงงลึกพิสูจน์ให้เห็นตามความเป็นจริงถ้าหาว่าพวกเราพิจารณาดูหลักแก่นหรือว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าเน้นหนักพวกเราท่านทั้งหลายจะนั่งคิดนอนคิดพิจารณาอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นมันเป็นของจริงแท้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นผมจึงเชื่อไม่ใช่เชื่ออย่างอื่นเชื่อชาติกนิทาน อะไรก็มีอยู่บ้างแต่นั้นคล้ายๆว่าเป็นน้ำเชื่อมแต่ตัวจ ร, จริงๆที่พระพุทธเจ้าบรรลุธรรมที่ตัดสรู้ธรรมตัดกิเลสภายในพระไทยของผู้อ์ออกโดยเด็ดขาดตรงไหนจุดไรตรงไหนอย่างไรอันนั้นให้พวกเราศึกษาแต่าก่อนที่จะเข้าถึงจุดนั้นเราก็ต้องผ่านเปลือกผ่านกับพีมันจึงเท่าถึงแก่น ถ้าจะพิจารณาแก่นฉเฉยโดยที่เราไม่ได้ศึกษาในเปลือกในกะัะพีจะโดดเข้าไปถึงแก่นเลยก็คงจะยากเว้นเสียแต่พวกเรามีอุปนิสัยเก่าแก่ดั้งเดิมติดพพติดชาติพอได้ยินพระธรรมคำสั่งสอนเท่านั้นมันกรซึมลึกเข้าสู่จุดคือหัวใจของเราอย่างพระอรหันตสาวกที่ท่านได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือได้เห็นพระอรหรันต พอท่านเห็นท่านก็เกิดความเคารพนับถือเรื่อมใส่ว่าอันนี้กำมังเป็นหนทางที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของเราได้อย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านไปเห็นสมณนะนั่งอยู่ในที่สงบท่านก็สํานึกได้เลยว่าอันนี้กำมังที่จะเป็นหนทางที่จะตัดกิเลสของเราเป็นพูดโดดเด่นและโดดเดี่ยวอยู่ตามลําพังไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งภายนอก อันนี้พระองค์ก็ได้น้อมมาสู่พระองค์ตลอดถึงพระอระหันต์ท่าสาวกที่ท่านได้เจอพระอระหันต์ที่เป็นครูบาอาจารย์ของท่านอย่างพระสารีบุตรอย่างนีน้ที่ท่านเห็นพระเจชีเนีย่ยพอเห็นเข้าไปท่านก็ถึงในตาของท่านถึงในใจของท่านว่าส ม, มณนาองค์นี้แปลกกับกิริยาของท่านไม่เหมือนคนทั้งหลายเนยปราดท่านมองปราดท่านเห็นอย่างนั้น จากนั้นก็จับตามองก็เดินตามหลังสังเกตในอากับกิริยาของท่านอาชิชิที่เป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็เข้าไปศึกษาจากนั้นท่านก็แสดงทําให้ฟังท่านก็ได้สำเร็จพระโสดาบันเป็นอันดับแรกนี่แหละสรุปแล้วก็คือก่อนที่ครูบาอาจารย์พระอรหันตสาวกที่จะได้ฟังพระธรรมคําสั่งสอนหรือว่าจะศึกษาธรรมะอันลึกซึ่งนั้นท่านต้องเกิด ต้องปลูกศรัทธาคือความเชื่อไว้ก่อนว่าท่านองค์นี้ท่านส ม, มณะองค์นี้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราควรเข้าไปศึกษาในเมื่อศึกษาเข้าไปแล้วก็ได้รับพระธรรมคําสั่งสอนของท่านจากนั้นก็นํามาประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาได้แต่ถ้าว่าเราปฏิเสธไม่มีศรัทธาปิดหูปิดตาถึงเราจะไปอยู่ณสถานที่ใดถิ่นใดก็าตามเราก็ ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในรมคำสั่งสอนนั้นๆได้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราทุกท่านที่เข้ามาศึกษาในหลักพระพุทธศาสนาก็ให้ตั้งใจให้เปิดรับแล้วก็ใช้ปัญญากรองไตรตรองเหตุและผลที่พวกเราได้ยินได้ฟังต่างกล้มต่างวาระให้ศึกษาให้ฟังแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติที่พวกเราได้ฟังนานๆ อย่างที่เราจะฟังในเทปหรือในหนังสือหรือผมแนะนำบอกว่าสติเป็นสิ่งที่จาเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต้องมาก่อนเพื่อนสตินะอันนี้เราก็ให้เอาสติเข้ามาชุกคิดในจิตใ จ, ใจของเราไม่ให้เราจิตใจของเราปุงฟุ้งไปออกไปข้างนอกดูใจของเราอยู่ตลอดกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับบริกรรมพาว่าถ้าว่าคิดดูเฉยเฉยไม่บริกรรม กระทำให้มีช่องว่างความคิดของเราอาจจะได้ลอดออกไปเพราะฉะนั้นท่านจึงให้บริกรรมบริกรรมพุทโธด้วยที่ลมหายใจเข้าออกนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือต่อมจิตหรือว่ายึดจิตเข้ามาสู่ใจสู่หลักคือลมหายใจเข้าออกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนพระสาวกของพระ อ, องค์ท่านบอกว่าอภินหาห์ปัจเจกคณะพวกเราควรพิจารณาหนึ่งเหนืองห้าอย่าง เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้อันนี้ก็ให้พิจารณาคห้แค่ว่าช็อกจิตใจของเราไม่ให้ลุ่มหลงกับสินทั้งหลายทั้งปวงว่าเราต้องแก่แน่ๆนะหอิไฉาคนแก่แต่ก่อนเขาก็เป็นคนหนุ่มอย่างผมก็เหมือนกันคำว่าแก่ที่นี้มันมองไม่เห็นแต่มันแก่ลากไปเรื่อยๆลากหูไปเรื่อยๆลากไปข้างหน้าเรื่อยๆมันไม่ถอยหลังมันไม่กลับเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกแล้ว มันมีแต่จะแก่ไปข้างหน้ามีแต่หนังเหี่ยวฟันหลุดตาฟ้าฟางหูหนวกไปตามวัยของคนแก่ทำให้าตายง่ายก็ต้องใส่ไม้เท้าเข้าไปอันนี้คือคือความแก่เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ความเจ็บนี่ถ้าจะว่าไปแล้วถ้าเราจะคิดให้ดูให้ดีแล้วหายใจเข้าหายใจออกก็คือเวทนา ปวดอุจจาระปัสสวะก็คือเวทนาอันนี้คือความทุกข์ของร่างกายอันนี้คือละเอียดถ้าเราสังเกตดูหายใจเข้าหายใจออกก็ใช่ปวดอุจจาระปัสสวะก็ใช่เย็นร้อนอ่อนแขนก็ใช่สิ่งเหล่านี้ก็คือเวทนาคือว่าเรามีความเจ็บไข้ถ้าเม็ดเสียแต่เราเจ็บจนปวดหนักจริงๆอันนั้นมันก็เป็นเวทนาอย่างมหันเข้ามาแล้วแต่ถ้าพ่อเล็กๆน้อยๆก็คือเนี่ย คือความไม่สบายคือความไม่สบายกายเวลาเรานั่งข้างหนึ่งพิกข้างหนึ่งอันนี้ก็ว่ามีความเก็บเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเก็บไข้ไปไม่ได้ทั้งเก็บทั้งไข่ถ้าเราพิจารณาดูแล้วนี่แหะร่างกายเยมันเหมือนกับมีก้อนเหล็กอยู่ในฝ่ามือโนอยนข้างนี้ร่อนโยนข้างนี้ร่อนวงกันพิกไปพิกมาอันนี้ก็เหมือนกันหายใจเข้าหายใจออกถ้าเราไม่หายใจเข้าออกร่างกายนี่ก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้น ท่านยังว่าให้พิจารณาความเก็บให้เป็นธรรมดาให้ถือว่าเป็นธรรมดามันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ธรรมดาอย่างอื่นมันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดมาแล้วต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็อพิจารณาเนืองเนืองว่าเราเปีนความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้อันนี้ก็คือทุกคนต้องถึงจุดจบไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งอันนี้ก็ให้ชอบจิตใจเอาไว้จากนั้นก็ท่านก็บอกว่า เราควรพิจารณาเนื อ, นอว่าเราจะต้องพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงมันก็ต้องพัดพากเป็นธรรมดาเพราะว่าเราตายไปเราจะเอาบ้านเอาเรือนเอาสามีปัญญาลูกเต้าหล่อหลานไปได้อย่างไรเราจะต้องพัดพากจากสิ่งเหล่านั้นไปแบบเดียวดายไปแบบไม่เอาอะไรไปด้วยเพราะนั้นเราให้คิดไปอยู่เสมอว่า เรานั่งภาวนาและเราเดินโยกมหรือเราอยู่ตามลําพังให้คิดไปอยู่เสมอว่าอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องไปแบบเดียวดายจะไม่มีใครไปกับเราด้วยเราไปตามลําพังเขาขึ้นกองไฟแล้วกันนั่นแหะเขาเผาไฟทีลในใจของเราจะต้องไปเปียกเดียวดายเพราะฉนั้นเราจะไปคิดหวังพึ่งหมูเพื่อนหวังพึ่งใครๆจนคิดว่าตัวเองจะไปกับหมูกับเพื่อนตลอดจึดหมูเพื่อนตลอดไม่ใช่ เราต้องคิดไปอยู่เสมอวันหนึ่งเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก็คืออันหนึ่งเราต้องคิดไปอยู่เสมอข้อที่ห้าเราทํากรรมอันไหนไว้เราจะต้องได้รับกรรมนั้นเราทําดีทํากรรมดีเราก็จะต้องได้รับกรรมดีถ้าเราทํากรรมชั่วเราก็จะได้รับกรรมชั่วไม่เป็นอย่างอันนี้ก็คือเมื่อตายไปแล้วหรือขนะที่ยังมีชีวิตอยู่ ถ้าเราทํากลัมอันไหนที่มันไม่ดีไปตีหัวเขาไปป้นเขาไปจี้เขาไปลักขโมยของเขาเราจะต้องได้รับผลของกลัมในเมื่อตายไปแล้วกรัมตอนนี้ก็จะต้องส่งไปอีกส่งถึงวิญญาณของเราเข้าไปเกาะติดในวิญญาณของเราอีกเพราะทํากลัมอันไม่ดีเอาไว้เราต้องคิดอยู่เสมอในขณะที่เราทํากลัมเราก็โอ้เราไปน่าทํากลัมอย่างนั้นเอาไว้แต่เนีกลัมตอนนั้นก็ต้องติดอยู่ในจิตในใจ กลัมตอนนี้จะพาไปในภพภูมิต่างๆไปเกิดในสถานที่ต่างๆกลัมเป็นผู้พาไปเพราะฉะนั้นเราจะทํากรัมสิ่งที่มันไม่ดีพยายามทําแต่กรัมดีที่จะพาไปสู่ความสุขความเจริญทั้งในภพนี้และชาติหน้าเพราะฉนั้นอภินะปัจเวกขณะที่พระพุทธเจ้าให้พวกเราตรวจตาและซับนึกคิดนึกอยู่เสมอว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพว้นความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเราทํากรรมอันไหนไว้เราจะต้อง ร, รับผลของกรรมนั้นอันนี้ควรพิจารณาไว้ในใจอยู่เสมอทำหรือว่าข้อคิดท่าอย่างนี้นี่แหละอันนี้ก็คือการเตือนพวกเราท่านทั้งหลาย เมื่อเป็นครวญญา จ, จมก็ตามเป็นพระสองฆ์องค์เจ้าก็ตามไปอยู่ณสถานที่ใดถิ่นใดก็ตามอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้เตรียมพร้อมให้สำนึกให้คิดไว้อยู่เสมอในการเป็นอยู่ของเราแต่ว่าพวกเรามีความนึกคิดอยู่อย่างนี้เสมอพวกเราไปอยู่ณสถานที่ใดถิ่นใดใจของเราถึงจะมีความทุกข์ขนาดไหนก็ยังมีที่เกาะที่พึ่งเพราะเรามีธรรมอยู่ในใจ ทำคือสิ่งเหล่านี้แหละคือความคิดถูกพูดถูกทําถูกถ้าว่าพวกเราคิดผิดพูดผิดทําผิดแล้วจะหาความสบาย อ, อกสบายใจนั้นยากเพราะฉะนั้นพวกเราได้เข้ามาศึกษาในครั้งนี้ที่ผมได้กล่าวเบื้องต้นว่าเข้ามาศึกษาเรื่องหลักของใจเข้ามาศึกษาเรื่องของใจเข้ามาเพื่อชําระจิตใจตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าท่านสอน กับศานุศิตร์เจ้สอนอุบาสุกุบาสิกาพุทธบริษัทสี่ของพระองค์พวกเราก็ในนามท่านหนึ่งที่เป็นพุทธบริษัทสี่ของพระพุทธยาคือภิกษุขณะนี้เราเป็นภิกษุถ้าเราเป็นออกไปเป็นครว่าก็คืออุบาสกผู้หญิงอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาภิกษุเนีคือผู้หนึ่งสมาเนนก็คือปุณตะก่อนนวนภิกษุณีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา ่พุทธบริษัทสเมื่อพิกฆนีหมดไปแล้วเอาสัมมเอ็นเข้ามาแทนแต่เดี๋ยวนี้สัมมเอ็นก็ล่อยหน่อลงไปแล้วคงจะเป็นพุทธบริษัทสนะต่อไป เ, เพราะสี่ไม่มีเพราะว่าสัมมเอ็นมีกฎหมายทางบ้านเมืองเขาให้เรียนให้ศึกษาถ้าบวชเข้ามาก็ต้องเรียนต้องศึกษาจึงจะเป็นสัมมเอ็นได้ก็มีอยู่บ้างสัมมเอ็น แต่ให้ขาดทีเดียวคงจะไม่ขาดเหมือนภิจุณีแต่ภิกษุณีนั้นมันขาดช่วงเพราะบ้านเมืองศึกสงครามไม่นพวกกี่ยุค ก, กี่สมัยเพราะฉะนั้นผู้หญิงจะมาบวชตามลําพังในยุคศึกสงครามก็คงจะไม่เหมาะเพราะฉะนั้นจึงปิกษุณีก็เลยขาดหายไปจากองค์การพระพุทธศาสนาแต่ถึงยังไงยังก็ยังปฏิบัติธรรมได้ถึงจะบวชนั้นไม่บวชก็ปฏิบัติธรรมได้แต่ถ้าว่าบวชนั้นจะดีกว่า เพราะได้ตัดขาดจากโรคกต่ว่ายังอยู่ในเป็นเพศกระวาดอยู่ก็เรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายก็ต้องมีแต่เราเป็นนักบวชจะตัดกิเลสส่วนหยาบออกไปเป็นเนคขำ่ำคือเป็นนักบวชก็พร้อมที่จะบําเพ็ญทางด้านจิตใจสามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้ง่ายกว่าที่เป็นกระวาดญาติโยมเพราะนั้นฝ่ายพระเราก็เช่นเดียวกัน การปฏิบัติทำเมื่อเป็นครวญได้ไหมก็ได้ไม่ขัดข้องมรรคผลนิพพานไ ม, ม่ได้ห้ามเป็นครวญปฏิบัติไม่ได้เป็นโยมผู้หญิงโยมผู้ชายปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่ปฏิบัติได้แต่ว่าโอกาสที่เวลํวลาหรือว่าสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้ประพฤติปฏิบัตินั้นไม่เหมือนพระคือพระเนี่ยเราตัดขาดออกมาแล้วการทํามาหาเลี้ยงชีพก็ตัดออกไปเราอยู่อย่างพระ มีอะไรก็ฉันอย่างนั้นใช้อย่างนั้นฉันอย่างนั้นบงเพ็ญอย่างพระอยู่อย่างพระไม่เดิดไม่ร้อนแล้วก็เล่งภาวนาทางด้านจิตใจกําหนดดูจิตดูใจของเราอย่างที่ผมได้กล่าวพิจารณาอยู่ในอ า, าปินะฮปัจจเวกพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายพิจารณาถึงจะต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจ เราจะต้องได้รับผลของกลัมเราทำกลัมดีกลัมชั่วเราจะต้องได้รับผลของกลัมนั้นอันนี้ก็คือเราเป็นพระเราคิดเราพิจารณาได้โดยตลอดแต่ครวัตยาจมูมถึงเขาจะคิดอย่างพวกเราเขาก็ยังตัดไม่ขาดเขาก็ต้องโศสวงหาเพื่อการนารงชีพหรือครอบครัวบริษัทบริวารเขาแต่สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อพิจารณาแล้วกันรู้เห็นตามความเป็นจริง ตัดขาดในจิตในใจตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านพระอาหารหันต์สาวกที่ท่านสั่งสอนแนะนำพวกเราเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพระกรรมฐานอย่างพวกเราอย่าปล่อยโอกาสให้พลาดไปในขณะที่เราบวชพอบวชเข้ามาแล้วก็คิดถึงเรื่องโลกคิดเรื่องนั่นคิดเรื่องนี้เผลอๆยังร้องเพลงในใจอีกต่างหาก เพราะนั้นอย่าให้มีถึงจะร้องเพลงเราก็ต้องหยุดแต่มันไม่ผิดต่อพระวินยัยแต่มันผิดธรรมทาให้จิตใจของเราเศร้าหมองเพราะฉนั้นในเมื่อเราปล่อยจิตปล่อยใจออกไปมันมีโอกาสมากที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าจิตใจมันเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่มันเอาโลกเข้ามามันจะร้องเพลงในใจเราก็สำรับพุโทโธพุโทโธพุโทโธเข้ามาในจุดนั้นอย่าให้ขาดสติเอาพุโทโธเข้ามาสำรับอ๋อ ขณะเราเป็นพระกิเลสยังเข้ามาเหยียบย่ําหัวใจของเราก็ะทั่งเราเป็นพระเหลือเนี่ยอขณะนี้เราเป็นพระนะเราไม่ใช่คารวะนะจะมาร้องเพลงในใจได้อย่างไรอันนี้มันก็ต้องบอกตัวเองสอนตัวเองบังคับตัวเองเอาทำที่เราได้ศึกษามาบังคับจิตใจของเราเอาพุโทโธเข้ามาสำนัก เราให้อยู่กับพุโทโธไม่ใช่เราจะให้ปล่อยจิตปล่อยใจในขณะที่เราอยู่เดือนกว่าเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราออกไปแล้วเ อ, อขนาดนอนหลับเราจะไปฝันร้องเพลงกอย่างได้ไม่เป็นอะไรแต่ขณะที่เรายังเป็นพระอยู่ขนาดนี้เราทําอย่างนั้นไม่ได้ไอ อ, อันนี้คือพยายามสอนตนไว้อยู่เสมอคือเราให้เป็นพระที่สมบูรณ์ที่สุดเหมือนเอรักษาความเค็มชั้นใดใจของเรารักษาวาจาของเรา รักษากายพวกเราให้บริสุทธิ์เหมือนกับเกลือรักษาความเค็มฉะ น, นั้นเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านเป็นพระนวกปะปันักศึกษาถึงจะมีเวลาน้อยก็พยายามให้อยู่ในกรอบของพระวินัยของศีลธรรมถ้าพวกเราประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้เมื่อเราออกเป็นครวาต์ญาติโยมเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าประกอบวิชาชีพที่เราเรียนได้ศึกษาและก็พร้อมกันก็มี ศีลแธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องกำกับทางจิตใจด้วยจิตใจของเราเป็นสมาธิดีด้วยเราจะเพ่งมองเห็นสิ่งดีสิ่งชั่วสิ่งควรทำและสิ่งไม่ควรทำสิ่งควรพูดและสิ่งไม่ควรพูดแล้วชีวิตของพวกเราจะราบรื่นแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่ประกอบวิชาชีพขาดจริยธรรมขาดศีลธรรมกำกับเหมือนกับเรือที่ขาดฐางเสือ มันเป๋ไปเป๋มามันไปไม่ตรงเป้าหมายถึงจะมีความรู้มันก็วิ่งไปได้อยู่แต่มันเป๋เผลอๆอาจจะตกกระเด็นออกไปนอกขอบเขตทำให้เสียหายเกิดขึ้นมาได้ไง่ายๆแต่ถ้าว่าพวกเรามีคุณธรรมด้วยมีศีลธรรมด้วยมีความรู้ของเราด้วยนั่นแหละเราจะเป็นแพทย์ที่ดีหมอที่ดีคาว่าแพทย์และหมอที่ดีเนี่ย ต้องมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมเราคิดดูโบราณโบราณที่รักษาคนป่วยคนไข้ามาที่ชาติไทยของเราไม่สูญพันุไม่ใช่ว่าคนโบ ร, โบราณเขาจะมีเครื่องมือดีๆอย่างทุกวันนี้แต่ว่าเขามีน้ำใจเขาถามไถ่กันใครเป็นอะไรหัวบ้านท้ายบ้านเขารู้จักกันหมดเขาจะช่วยเหลือกันอย่างไรอย่างสมัยผมเป็นเด็ก ในห ม, นมู่บ้านมีเจ็ดสิบขวัลังคาที่บานแหวงสมัยนั้นใครเจ็บไข้ได้ป่วยยมแม่รู้หมดต่างคนต่างช่วยกันว่าปิดอย่างนี้ต้องใช้ยาอะไรรากไม้อะไรต้มยาอะไรดูแลกันยังไงรักษากันยังไงคือเขาถ่ายทอดความรู้วิชาที่เขาได้ศึกษามาเป็นทอดทอดเขาก็ถึงจะไม่หายโดยเด็ดขาด แต่เขาเอาประทางชีวิตของเขามาจนไม่สูญพันธ์เมือนนั้นไม่สูญพันสรุปแล้วก็คือน้ําใจน้ําใจการอยู่ร่วมกันต้องมีน้ําใจมีคุณธรรมมีศรรมมีลธรรมมีจริยธรรมแต่เครื่องมือจะดีขนาดไหนแต่คนโง่ที่จะใช้เครื่องมือนั้นเครื่องมือนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างนี้นมันฉลาดกว่าคนใช้คนใช้ไม่ฉลาดเท่าเครื่องเครื่องหมายเครื่องมือ แต่ถ้าว่าคนฉลาดใช้ถึงเครื่องมือจะไม่ฉลาดเท่าไหร่แต่เขารู้จักใช้ใช้ปัญญาเหนือกว่าเครื่องมือมันก็มีประโยชน์อย่างเขามีมีดเล่มเดียวเขาจะพาตัดยังไงเขาจะทำยังไงแต่เขาฉลาดสังเกตดูอกับกิริยาทุกอย่างก่อนที่เขาจะทำลงไปใช้ปัญญาเขาไม่ใช่ว่าจะใช้เครื่องมือทำอย่างเดียวถ้าว่ามีแต่เครื่องมือทาอย่างเดียวตัวเองไม่ได้สนใจ ปล่อยให้เครื่องมือเป็นคนทำอย่างเดียวผมว่าคงจะไม่เป็นอย่างนั้นความฉลาดรอบครอบของคนผู้ใช้เครื่องมือเนี่ยมาในอันดับหนึ่งเครื่องมือเนี่ยเป็นเครื่องช่วยอันดับสองแต่บางสิ่งบางอย่างนั้นเราทำไม่ได้ต้องอาศัยเครื่องมือเพราะมันละเอียดอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ทั้งยังไงก็ต้องปัญญาก็ต้องมาก่อนคนที่จะทาอย่างนั้นไปได้ต้องปัญญาต้องได้รับการศึกษาอย่างดีถึงจะใช้เครื่องมือนั้นให้เกิดประโยชน์ได้ เพราะฉะนั้นปัญญาตัวนี้คืออะไรถ้าเราฝึกได้ดีแล้วก็คือสมาธิการที่จะทำสิ่งใดข็ตามจิตใจต้องนิ่งพอสมควรนิ่งอย่างมากในการทำเพราะฉะนั้นสมาธิเป็นสิ่งที่จาเป็นสำคัญทุกระดับในเมื่อเราเข้าทำงานในสิ่งที่ละเอียดหรือว่าเข้าไปสู่ในสิ่งที่ขับขันสติปัญญาของเราเนี่ยต้องหมุนติ้วทีเดียวเออเหมือนกับเราเข้าไปสู่ศึกสงครามหรือเข้าไปตีมวยอย่างนี้ ทุกมวยอย่างนี้นักมวยของเขาทั้งกำลังด้วยทั้งสติด้วยปัญญาด้วยตาของเขาเจ้องอยู่ตลอดลเวลาเนีลยเขาจะดูตัวไหนพอหัวไหลยึกเงี้ยลับทันทีเลยทารับไม่ทันกันไปว่ายอดคางตัวเองหรือเนีเ่เพราะนั้นเขาต้องเตรียมพร้อมที่เขาจะสู้ศึกศัตรูที่จะเอาชนะกันนอกนั้นกเรื่องต่างๆมีมากมายอันนี้พวกเราเป็นหมอก็เช่นเดียวกันผมว่านะ จะชลาดใจไม่ได้ความรับผิดชอบเลยต้องมาก่อนเมื่อเราเมื่อเราเห็นเขาหรือว่าเรารักษาคนป่วยให้ถือว่าคนป่วยนั้นพ่อแม่ของเราผู้มีพระคุณจากนั้นเราก็เข้าไปดูตรวจเราดูใจของเราว่าเราพร้อมไหมเราพร้อมทีม่จะทําใหม่ทีมของเราพรอไหมเครื่องมือของเราเป็นไปได้ไหมแล้วจะเอาสิ่งไหนเข้ามาเพิ่มอีกเราจะปรึกษากับใครหรือเราเคสนี้เรา ไม่มีปัญหาเราขาดพามากต่อมากแล้วสิ่งเหล่านี้อยู่ในการตัดสินใจของพวกเราจิตใจของเราต้องสัมพยุดด้วยสติด้วยปัญญารอบครอบอย่างมากจึงจะไม่พลาดในการทํางานเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านต้องศึกษาจุดนี้ให้ดีสมาธิเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากทุกระดับถ้าว่าขาดสติ ส, สมาธิไม่ดีแล้วการทําอะไรลงไปความผิดพลาด โอกาสที่จะพลาดได้อย่างมากคนขาดสติเพราะนั้นสติของเราต้องฝึกขัดให้ดีเพราะเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ด้วยถ้าเราทําไปแล้วมันไม่เป็นผลดีสําหรับเราเป็นบาปทางด้านจิตใจอีกต่างเหมือนเราไปฆ่าเขาแต่ฆ่าโดยไมยเ่เจตนาก็เถอะบาป ก, กล้ำนั้นก็เพราะเราจะเเผ้วเราขาดสติขาดปัญญาขาดความรอบครอบเนี่ยเผลอๆยังขาดความรับผิดชอบอีกแต่ว่าขาดความรับผิดชอบตัวนี้ยากกว่า อยาบกว่าตัวที่ว่านั้นคือว่าเราพยายามทําดีที่สุดแล้วแต่มันยังพลาดไปได้ดูสุดวิสัยไม่ให้เขาแก่เจ็บตายเป็นไปไม่ได้อันนั้นใช่แต่ว่าถึงยังไงก็ตามอันนั้นเราต้องดูมันเป็นความปกป้องหรือเป็นความผิดพลาดหรือเป็นความสะเเเเเเเเเป็นความมักง่ายหรือเราทําแบบเเเเเเเเเเเเเนเนเนเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ ลูกหลานทั้งหลายที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้านะหลงพ่อฝากไว้กับพวกลูกหลานทุกองค์ที่มาศึกษากับวัดหลวงพ่อเนี่ยสรุปแล้วก็คือให้เป็นผู้รอบครอบผู้รับผิดชอบอย่าไปทําแบบสงเดชชีวิตมนุษย์ไม่ใช่ของธรรมดาเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยรักอะไรก็ไม่สู้รักชีวิตรักชีวิตเป็นรักที่สุดเพราะฉนั้นให้ให้สำนึกไว้เสมอว่าเขารักชีวิตของเขา เรารักชีวิตของเราเรารักพ่อรักแม่ของเรารักลูกลักหลานของเราถ้าว่าครอบครัวใดก็ตามถ้าว่าขาดพ่อขาดแม่ขาดลูกที่รักของเขาแล้วครอบครัวนั้นก็หาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้อย่างพ่อแม่มีลูกคนเดียวอย่างนี้ถ้าลูกตายไปซะลูกประสูอุบัติเหตุซะอย่างนี้พ่อแม่เหมือนตายทั้งยืนเหมือนชังกะตายอยูน่นันนะใจออกจากร่างแล้วมีแต่ ร่างกายนะเดินเยินโดดีหมดอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉนั้นให้คิดถึงใจเขาให้คิดถึงใจเราให้คิดถึงใจทุกคนที่เป็นมนุษย์ชาติอันนี้แหละคือหลักธรรมหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเจะวะศีลธรรมจริยธรรมใจเขาใจเราเพราะฉะนั้นการจะทําสิ่งใด ล, ลงไปขอให้พวกเราพันลูกพันหลานทั้งหลายนะหลงพ่อย้ําแล้วย้ําอีกให้รอบคอบให้รับผิดชอบจะไปทําแบบ สุกเอาเผากินถ้ามันพลาดเข้ามาผิดพลาดขึ้นมาอันตรายมากทำให้เขาเสียหายเสียชีวิตด้วยและก็พร้อมกันคนในชาติไทยไม่ใช่ว่าจะร่ำรวยทุกอย่างเราจะถือเป็นพาณิชย์ทั้งหมดมันก็ไม่ถูกเราต้องมีคุณธรรมใน จ, ใจิตใจเราจะไปเปรียบเทียบว่าเมืองนอกเขาคิดราคาแพงๆ แ, แต่เมืองไทยของเราคิดราคาถูกแต่ตามไม่จริงเราต้องคิด การของชีพของเขาทุกอย่างด้วยเงินของเขาด้วยการของชีพของเขาด้วยเราจึงมาเปรียบเทียบกับเมืองไทยแต่ถ้าว่าเราไม่ได้เปรียบเทียบทุกอย่างแล้วเรายึดอยางเมืองนอกของเขาเรามาใช้กับเมืองไทยของเราหลวงพ่อว่าขาดขาดคุณธรรมขาดเมตตาธรรมขาดน้าใจสิจ่งเหล่านี้เขาฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านนะ หลวพ่อเองก็ไม่อยากจะพูดชี้จุดลงไปว่ามันผิดกัมันถูกแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราทำเกินไปอันนั้นคือขาดน้ำใจขาดเมตตาธรรมในการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติของคนในชาติการที่อยู่ร่วมกันคนในชาติจะร่มเย็นเป็นสุขได้ต้องพึ่งพาอาศัยกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดบุญคุณของประเทศชาติปันเมืองบุญคุณของคนในชาติ ที่ช่วยหรือเจือจุนกันนะตั้งแต่เราเรียนหนังสืออาคารครูบาอาจารย์เครื่องมือที่เข้ามาศึกษามันเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดนะถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดในสิ่งเหล่านั้นมาประมวลเข้ามาแล้วเราคิดแต่กาไรอย่างเดียวเราไม่ได้คิดในการลงทุนเราจะคิดกำไรได้อย่างไรเมื่อไม่มีลงทุนอันนี้ชาวบ้านชาวเมืองทุกคนคนในชาติลงทุนให้แกเราเราจึงได้ เป็นอย่างนี้ขึ้นมาทุกวิชาอาชีพเพราะนั้นเมื่อเราถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็ต้องมองรอบรอบด้านรอบๆข้างทั้งตัวเราตัวเขาทั้งคนในชาติทุกๆ ท, ท่านนี่แหละหลวงพ่อว่าถ้าว่าเราคิดได้อย่างนั้นความเป็นธรรมก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมแต่ทางว่าเราคิดแต่ว่าผลประโยชน์อย่างเดียวความเือดร้อนวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมือง เพต่างคนก็ต่างผลประโยชน์แต่ต่างคนต่างเสียสลับต่างคนต่างคลายคลายความสุขคลายทรัพย์สมบัติเพื่อชุมชนรสังคมชุมชนรสังคมนั้นก็จะมีกําลังขึ้นมาได้แต่ว่าทางต่างคนต่างขูดต่างคนต่างแสะต่างคนต่างใสต่างคนต่างกอบโกยผลประโยชน์ของชาติชาตินั้นก็ชังกระตายพร้อมที่จะล้มทั้งยืนถึงจะไม่ล้มก็หมดกําลัง ที่มันจะเจริญงอกงามใหญ่โตต่อไปภายภาคหน้าเหมือนกับต้นไม้ที่มันยืนอยู่นั่นแหละกิ่งกุดกิ่งด้วนเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่ามันหมดกําลังมันไม่มีปุ๋ยมันไม่มีเครื่องหล่อเลี้ยงลาต้นของมันอันนี้ก็เหมือนกันในชาติบ้านเมืองถ้าว่าคนในชาติมีแต่กอบโวยมีแต่แย่งเอาผลประโยชน์ต้นไม้ต้นนั้นก็ยืนเออกลิ่งกุดกิ่งด้วนตายแห่ไม่ตายแหล่เปลือกแห้ง อยู่ในต้นไม้นั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ใครจะเป็นผู้ดูแลเป็นผู้บำรุงเป็นผู้ดูแลเป็นผู้บำรุงต้นไม้นั้นมันก็ต้องมอบให้คนทั้งชาติอีกเหมือนกันใครมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่เป็นตำรวจก่อนรักษาหน้าที่ตำรวจรักษาพี่น้องประชาชนที่ทักสันติราชอย่างไรจะให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเป็นทหารเป็นรั้วของชาติทำหน้าที่อย่างไรชาติของเราจึงจะร่มเย็นเป็นสุข เป็นครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนคณะศิษย์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆตามหลงลำโรงเรียนทุกระดับควรทําตัวอย่างไรเมื่อคนเจ็บไข้ได้ป่วยหมอทําหน้าที่อย่างไรที่จะรักษาเจือจุนคนในชาติที่รักษาคนในชาติให้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยพระสงฆ์อยู่ในชุมชนสังคมจะแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนอย่างไรจะสงเคราะห์คนในชาติอย่างไร คนในชาติจึงจะร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยกันได้พระสงฆ์เป็นผู้แนะนำอย่างไรเอาธรรมะศีลธรรมเข้าสู่จิตใจของพี่น้องประชาชนอย่างไรอันนี้ก็คือทุกหน่วยตลอดถึงพิภาคษาอายการาวิศวก ร, รก่ อ, ก อ, กอสร้างสถาปนิกผู้วางความสวยงามให้แก่ประเทศชาติออกแบบแปลนล้วนแล้วแต่มีเป็นผู้มีความสาคัญโดยการทั้งหมดทุกระดับเป็นผู้ส่งเสริม ชาติส่งเสริมต้นไม้คือชาติถ้าว่าพวกเราต่างหันหลังให้กันพระก็อย่างงั้นตำรวจทหารก็อย่างงั้นหมอก็อย่างงั้นครูบาอาจารย์ก็อย่างงั้นพิศวกรสถาปนิกมีตะกัดมีตะเซมมีตะไซมีตะกรอบโกยหลวงพ่อว่านชาติใดก็ตามถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นหาความเจริญงอกงามระยกพวกเราคิดดูก็แล้วกั หลวงพ่อพูดให้ฟังถ้าพูดไปก็เหมือนกับเยอะหย่านชุมชนและสังคมแต่ถ้าว่าพวกเราไม่พูดกันคนในชาติไม่พูดกันไม่ว่ากล่าวตักเตือนกันไม่แนะนําไม่สอนกันไม่พูดกันในสิ่งเหล่านี้ใครจะมาพูดให้แก่พวกเราหลวงพ่อมองไม่เห็นคนอื่นชาติอื่นเขามีแต่อยากจะให้พวกเราล่มจมจิบหายถ้าคนในชาติไม่ว่ากล่าวไม่สอนกันไม่แนะนํากันอย่างที่หลวงพ่อเป็นยังไง ภพวงข้อกันอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นการช่วยเหลือชุมชนและสังคมแนะนําสั่งสอนลูกหลานพี่น้องประชาชนที่มาเกี่ยวข้องก็พยายามทําอย่างเต็มที่ทั้งที่ตัวเองอยากลําบากยังไงการไปหรือการแนะนําสั่งสอนหรือการช่วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ไม่ได้มองไม่ได้มองข้ามสิ่งใดที่พอจะช่วยเหลือได้ก็ยื่นมือเข้าไปช่วยในจุดนั้นเพื่อจะให้ชุมชนของเรา เป็นฝึกแผ่นมั่นคงนี่ก็ขอฝาไว้กับพระลูกพระหลานทุกองค์ที่จะเป็นกําลังเป็นทรัพยากรของชาติต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อวนันพวกลูกพวกลาเ น, นี่ยนะจะเป็นกําลังของชาติถ้าพวกเราท่านทั้งหลายไม่ช่วยกันคิดไม่ช่วยกันพยุงชาติแล้วชาติของเราจะล้าหลังจะเดินตามหลังเขาไม่ทันแล้วก็เราจะเป็นเบี้ยล่างของเขาอีกต่างหากเหมือนกับพวกเราเห็นไหมประเทศที่รอบด้าน รอบบ้านของเร า, ท, าทั้งทิศเหนือทิศใต้เป็นยังไงประเทศไทยของเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะช่วยกันเอาหลักของพุทธศาสนานําหน้าเอาศีลธรรมนำหน้าศีลธรร ม, รรมจริยธรรมนี่แหละคนที่มีศีลธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์สุดจริตมีฤติอุดตปะในจิตในใจแล้วนั่นแหละความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นมาได้อันนี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราที่เป็นลูกหลานนะ ที่เขามาศึกษากับหลวงพ่อให้ฟังฟังไว้นะให้ฟังให้ศึกษาให้ฟังไว้อันนี้คือเป็นแนวความคิดของพระป่าองค์หนึ่งที่อยู่ในป่าดงพงภัยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นชีวิตฉันอาหารมื้อเดียวตามมีตามเกิดที่พวกเราได้มาเห็นมาดูนะแล้วก็พวกเราก็ได้ปฏิบัติที่ตามที่หลวงพ่อแนะนาจากนั้นก็ ผมงพ่อกนแนะนําำเรื่องการเป็นอยู่ของเราเนี่ยนะสตินะสาคัญนะสมาธินะสาคัญนะถ้าจิตใจเป็นสมาธิดีแล้วจะมองเห็นความดีความชั่วสิ่งควรไม่ควรเอาหลักพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกระจกเงาเป็นเครื่องส่อง เ, อเป็นเครื่องดูแลแต่ถ้าเอา ก, กิเลสความโลภความโกรธความหลงเข้ามาเป็นเครื่องนำหน้าแล้ว มันจะมองไม่เห็นคุณงามความดีเพราะกิเลสมันปิดบังหมดเห็นแต่สิ่งที่อยากจะได้โลภโกรธหลงคนนั้งก็ปล่อยติกิเลสออกมาคนนั้งก็ปล่อยกิเลสออกมาไม่ได้เอาธรรมะเข้าไปดูว่าควรหรือไม่ควรถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่าอย่างนี้โลกใบนี้ก็หาความสงบร่มเย็นเป็นสุขได้ยากนะหลวงพ่อว่านะนนวันนี้หลวงพ่อได้พูด การเป็นอยู่และแนวความคิดสำหรับพวกเราทุกกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องลูกหลานที่เข้ามาศึกษานิสิตนักศึกษาที่เข้ามาอยู่ศึกษากับหลวงพ่อนะนะถ้าหลวงพ่อพูดไปรุนแรงเกินไปก็ให้พวกลูกหลานคิดดูก็แล้วกันให้อภัยหลวงพ่อเหมือนกันนะบางทีหลวงพ่ออาจจะพูดผิดแต่หลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อพูดถูกหรอะวะ่านะ หลวงพ่อให้เน้นหนักคนในชาติให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมไม่ได้พูดอย่างอื่นถ้าหลวงพ่อไม่พูดชี้แจงในรายละเอียดอย่างลึกลงไปถึงรายละเอียดพวกเราก็อาจจะรู้แบบผิวเผินคือไม่มีใครที่จะพูดจุดนั้นในการเป็นอยู่ของพวกเราได้แต่ถ้าเราพูดลงไปมันพูดความจริงเกินไปก็ทําให้กระเทือน เรวไม่สบายใจในขณะที่ผู้ได้ได้ยินได้เห็นได้ฟังแต่ติยังไงก็ต้องเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้ถือว่าฟังเสียงฟ้าร้องเอฟังเสียงเอที่เราไม่พึงปรารถนาก็แล้วกันฟ้าร้องฟ้าผ่าอย่างนี้นให้พวกเราก็ถือว่าเออฟ้าร้องฟ้าผ่าว่าเอเป็นธรรมดา อยู่ในโลกนะั้นก็ต้องมีต้องเจอนะน ะ, อะตอนนี้ไปนั่งภาวนานะจานั่นก็คอยเลิกแยกย้ายกัน